ที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายอย่างมากมายโดยทางพระเยสกิจ้าเราทั้งหลายจึงมีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์เป็นคิดจักของพระองค์และพระองค์ทรงมีพระประสงค์มีน้ำพระทัยต่อชีวิตของเราจึงขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เช้านี้พระองค์จะตัดกับเราทั้งหลายถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่เราจะเปิดหูของเราเปิดตาของเราเปิดใจของเรารับฟังพระคำของพระองค์และเราจะประพฤติตามเราจะมีบัญญัติของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเรา ขอบคุณในความรักของพระองค์สรนเซญขอบคุณพระองค์อธิษฐานกับทูลในพระนามพระเยซูกิจเจ้าครับอามีเดินเชิญผู้ชมนั่งครับครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละวันที่พระเจ้าอยู่กับเราและถ้าเราอยู่ใกล้ชิดพระเยซูเราก็จะเห็นถึงพระคุณและความรักของรงค์ในหลากหลายวิธีการที่พระเจ้าสแสดงพรองค์กับเรานะครับ ก็คงย้ำนะย้ำเรื่องของภัยแรงเรื่องของน้ำที่แห้งแล้งนั้นเมื่อคราวที่แล้วผมบอกว่าผมไม่ห่วงคนปนนอกผมไม่ห่วงคนที่ออกอยู่นอกเมืองไม่ห่วงคนชนบทเพราะว่าเขาเห็นน้ำเพราะบ่อน้ำอยู่ใกล้บ้านเขาแหล่งน้ำอยู่ใกล้บ้านเขา ก็เห็นว่าน้ากําลังยุบน้ํากําลังแห้งน้ํากําลังหายนะฮะเขาเห็นตลอดเวลาแต่ที่ห่วงห่วงคนในเมืองคนในเมืองมองไม่เห็นน้ำนะฮะเพราะมันอยู่ในท่อแม้แต่แม่น้ํำน่านก็ไว้ใจไม่ได้เพราะน้ำน่านขึ้นอยู่กับเขื่อนเราตอบไม่ได้ว่าแม่น้ําหน้านมีน้านจริงขนาดไหนเราตอบไม่ได้ไอ้ที่เห็นทุกวันนี้นเกี่ยวกับเขื่อน ถ้าเขื่อนปิดน้ำไปแห้งเขื่อนเปิดน้ำก็มีนะฮะมีมากมีน้อยไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูน้ำจมเรียบร้อยเพราะไม่น้ำจมไม่มีเขื่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีน้ำมาน้ำกำลังหมดไปแล้วก็แห้งแล้วเรามองเห็นนั้นคนในเมืองก็ทำได้อย่างเดียวคือเชื่อพระเจ้าจริงพระเจ้าก็บอกเราไว้หลายปีนะระวังภัยแรงนะฮะเราคงเกี่ยวเรื่องน้า หาที่ในการาเก็บน้ำแล้วเก็บอาหารเมื่อมีปัญหาเรื่องน้ำเมื่อเกี่ยวข้องกับอาหารอาหารการกินแต่ว่าเราจะเข้าใจแบบไหนเราจะการแบบไหนเนี่ยบางครั้งบางคาแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจก็เลยรู้กับพระเจ้าไปเราพยายามเก็บน้ําเก็บอาหารแต่หลายครั้งหลายคาแล้วก็ขาดความเข้าใจวิธีการพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เราเก็บแบบกั ก, กตุนแต่พระเจ้าให้เราเก็บแบบ รู้จักหมุนเวียนเปลี่ยนใช้นะฮะหมุนเวียนเปลี่ยนใช้เราเคยเก็บข้าวเก็บอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าเราเก็บไม่เป็นเราเก็บไว้แบบกักตุนสุดท้านก็หมดอายุไปตามบาระเวลาของมันแต่ถ้าเรียนรู้จักว่าถึงเวลาเอามาใช้แล้วก็เอามาเพิ่มเติมนะฮ ะ, ะ, ฮะก็เรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันคงมีและถ้าเรามีแหล่งในการเก็บมากเราก็จะ อปลอดภัยมากตักวันนี้ที่ช่ตงการป่าแดงบางคนนงซื้อน้ําเซเว่นอีเลเวนอาบก็ <c oughs> น้ามไม่ไหล <c oughs> มําแพงแนละ้วเพราะเรามีน้ามีนม้ำกระดูกอ่ะซื้อน้าอาบอาบบาคงแปลก็ เ, เอามาชุบตัวลุกตัวเนาะคงไม่สามารถอเทมขวดลากเช่นนะเพราะมแพงนะฮะหลายที่น้ํามไม่ไหลนะฮะไม่มีน้ําไหลเปิดบางเวลาแล้วแต่หลายที่มีเยอะ นะครับแต่ในประเทศไทยก็ยังมีน้ําเพียงพอถ้าจัด ก, การบริหารเป็นและรู้จักเก็บเป็นนะครับ <c oughs> นั้นก็เมื่อพูดถึงน้ำเมื่อเกี่ยวกับอาหารแหละนั้นขั้นกับไอ้ฐานพระเจ้าดีว่าจะทํายังไงแบบไหนอะไรต่างพวกนี้พระเจ้าก็เตือนเรามานะ <c oughs> บ้านไหนที่ฟังคำของพระเจ้าและมีถังเก็บน้ําวันนี้ก็สบายใจหน่อย แต่ถ้าบ้านไหนไม่มีถังเก็บน้ำก็กุ้มใจหน่อยอกุ้มใจหน่อยนะฮะอันนั้นแต่คนในเมืองนะของขยาคนในเมืองอย่าคิดว่าจะมีน้ำตลอดอย่าคิดว่าจะมีน้ำตลอดและน้ำที่ไหลผ่านไม่น้ำหน้านเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ให้คนพิศโลกคนเดียวมันไปนู่นถึงุเทพมหานครหนึ่งน ะ, ะไปถึงนู่นนะมันก็จะแบ่งกันไปใช่ฉะนั้นก็ไอ้ฐานล้ครับว่าในช่วงนี้จะทำไงแบบไหน และขณะเดียวกันก็เป็นผลดีที่เราจะเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าทําให้เราต้องคิดต้องทําสิ่งต่างต้องประหยัดยังไงต้องอะไรต่างพวกนี้ยมันก็มีเยอะนะถ้ามองด้านเสียกเสียแต่จริงมองด้านดีก็มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องคิดทำให้เราต้องตระหนักทําให้เราต้องยอมรับความจริงว่าที่พระเจ้าเคยพูดกับเรามาในดินเป็นความจริงนะไม่ใช่เรื่องความตื่นตระหนกไม่ใช่เรื่องขอ ง, ข อ, งอะไรต่อเมื่อไรฉะนั้นสิ่งต่างนี้ก็ทา ปีนี้ขนาดนี้ปีหน้าขนาดไหนเราไม่รู้แต่ยืนยันครับมันจะมากขึ้นไม่น้อยลงนะฮะอาจจะมีสองอย่างเน่ยในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยน้ําแห้งกับน้ํามากมากเกินเรื่องมากเกินน้ําท่วมน้ําหลากอะไรต่างๆเราตอบไม่ได้สถานการณ์ของโลกจะเป็นไปไหทั้งหมดนี้เราคงโทษใครไม่ได้โทษมนุษย์มนุษย์เป็นคนพฤติกรรมมนุษย์ทำให้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง อย่าไปโทษธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยทำให้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงร้อนทุกวันนี้ทั้งหลายร้อนทุกวันนี้ถามว่าเป็นเพราะธรรมชาติหรือเปล่าสืบนื่องมาจากฝีมือมนุษย์ล้วนเพิ่งใช้คำพวกนีลน้ล้วนนกที่อยู่ในเมืองจอกแจก๊จกจกแจ๊กนะฮะถามเป็นเป็นเพราะนกจากอยู่ในเมืองเหรอเปล่ามันไม่มีต้นไม้ให้มันอยู่ในนอกเมืองมันเลยชอบมาอยู่ในเมืองนะนะ ไอถามนกอะถ้าพูดได้นะนะนกอยากจะในเมืองมันไม่อยากอยู่หรอกนะไหนเลยจะสุกเท่าอยู่ในป่านะมีอหาอยู่ในเมืองเอาอาหารที่ไหนกินหายากนะฮะแต่อยู่ในป่าที่มีต้นไม้เขาก็หา ก, กินได้นะั่นคือสิ่งสบายแต่เมื่อไม่มีที่เขาอยู่เขาต้อง อ, งอพยพมานะอพยพมานั่นคือสิ่งที่อย่าหนุนใจมองเห็นว่าสิ่งตา่างนี้พระเจ้าบอกเราแล้วอะไรแล้ว <c oughs> หน้าทิ่งเราคือไปคิดไข้ครวนกับพระเจ้าอีกครั้งหนึง่ง ว่าจะทํำยังไงแบบไหนนะอันนั้นคือสําคัญพระเจ้าทาทุกอย่างให้เราไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีความสามารถนะแต่พระเจ้าจะไม่มาลราบเราล้วงสิทธิที่เราควรเป็นและควรทําแต่อะไรที่พรองค์ต้องทําพระองค์ทำแล้วนะนะครับมันสิ่งสําคัญดังนั้นหัวขอ้อนี้สองความมั่นใจสองคำพิจาเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับพระมหาปัญชานะพระมหาปัญชาของพระเยซูเนี่ย ถ้าผู้กนุนรวมมีไว้เพื่ออะไรนะฮะมีไว้เพื่อช่วยคนพระมหาบัญชาเนะี่ยมีไว้เพื่อช่วยคนถ้าคนตอบสนองพระมหาบัญชารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามันช่วยเขาเราไม่ทำตามพระมหาบัญชาเพื่อจะเพิ่มจำนวนคริสเตียนไม่ใช่แต่เราทำตางเนี่ยเพื่อจะช่วยคนคนที่พบกับพระเยซูคนที่พบกับความพระเยซูเขาจะรู้ว่า พระเยซูช่วยเขาฉะนั้นในสมัยของอาคาสาวกหรืออาคาทูตหรือในสมัยของคริสเตียนยุคแรกๆหรือแม้แต่ในยุคที่คริสเตียนถูกข่มเหงนะพวกเนี้ยยอมทุ่มเทให้กับให้กับการทําตามพระมหาบัญชาพระเยซูได้สั่งนะยอมแม้ทั้งไรกระทั่งชีวิตจะตายแบบไหนยังไงไม่ห่วงขอให้ฉันสามารถทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูได้ น, นั่นคือสิ่อสำคัญนั้นก็อย่างหนุนใจมองเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นความจริงข้อนหนึ่งว่าทําไมคิดจักของพระเจ้าเนี่ยรับมากแต่จ่ายน้อยนะฮะกำลังแปลความหมายว่ารับพระคุณมากแต่ไม่ค่อยแบ่งปันพระคุณให้กับคนอื่นและการแบ่งปันพระคุณ อ, อื่นก็เรื่องเดียวที่ทําให้พระคุณพระเจ้าแพร่กระจายไปคือพรมหาบัญชา เราหยิบยื่นช่วยเหลือเขาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อไรที่เขาพบพระเยซูเนี่ยเขาได้เต็มร้อยเขาได้เต็มร้อยนะคนที่พบพระเยซูเนี่ยเขาได้รับพระพรเต็มที่เต็มร้อยการหยิบยื่นให้เราเนี่ยช่วยเหลือเขาเนี่ยเป็นแค่เศษแห่งพระพรนะเศษแห่งพระพรจริงเราเนี่ยได้รับพระพรมาเต็มร้อยแต่เราอาจจะมีใจในการช่วยเหลือคนอื่นเขาบ้างนิดหน่อยนั่นเป็นเศษพระพรแต่ถ้าอยากให้เขารับพระพรเต็มที่เขาต้องพบกับพระเยซู และถ้ากขาพบกับพระเยซูเนี่ยก็ารับผอผนเต็มที่นั้นเราจะมองเห็นว่างทีคลิกจากของพระเจ้าเนี่ยคลิกจากหมายถึงผู้เชื่อนะผู้เชื่อพระเจ้าเนี่ยเรารับพระคุณมากแต่เราจ่ายน้อยจ่ายคืนน้อยมากและบางทีจ่ายคืนเสร็จแล้วคิดมากคิดได้คิดน้อยคิดกับพระเจ้านะนะได้มาเปล่าเปล่าแต่ตอนจ่ายคืนเนี่ย ถามว่าพระเจ้าจะให้อะไรเออเนะแปลกใช่ไหมตอนได้มาเนี่ยพระเจ้าให้มาเปล่าเปล่าเนี่ยพระเจ้าไม่เคยฉันให้เธอไปเฉจอทนายเลยฉันาไม่เคยพูดะแต่พอเราจะให้พระเจ้ากลับคืนเราถามเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรจากการให้พระเจ้าอันนี้คือเรียกว่ารับมากจ่ายน้อยนะฮะเราเลยไม่สามารถตอบสนองพระธรรมชาได้การจะตอบสนองพระธรรมชาต้องรับเท่าไหร่พยายามจ่ายไปเท่านั้น แต่จริงๆแล้วพวกเสาอกว่าแม้กระทั่งจ่ายเท่าชีวิตก็ยังไม่ยังไม่เพียงพอการจ่ายคืนยังไม่เพียงพออันนี้คือสิ่งที่สําคัญอย่าให้มองเหนน็นในช่วงเดินหน้าเนี่ยพระเจ้าเขมรก็เหตุผลเดียวกันเหตุผลประเทศไทยรับพรอ พ, อพระเจ้ามากมายเหลือเกินแต่เขมรนี่ยังมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะความอัตคักษณขัดสนขเขานะครเพราะว่าช่วงหนึ่งของอชีวิตของเขมรคือห่างหายจากพระเจ้าไปเลย นะห่างหายจาพระเจ้าไปเลยแต่เมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าใหม่เดี๋ยวนี้ปเปอร์เซนต์คนที่เชื่อในพระเจ้ามันเป็นสูงกว่าประเทศไทยประเทศไทยนี่เขาเรียกเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะี่ปอร์ซมาประมาณห้าหกสิปีก็ยังหปอร์อยู่กันไนมะ่เคยเพิ่มแต่เกาหลีเนี่ยประมาณสิไอเกัหลีบุชาเนี่ยประมาณสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่มอับเป็นห้เรไปเรียบร้อยแล้วนะนะในท่ามกลางควา ม, มลำบากการละายังลำบากอยู่ เราไปเนี่ยไปให้เขาคราวนี้จะเป็นประกาศข่าวประเสริฐนะที่ทีมท็กแคมเนี่ ย, ยรู้ไหมต้องประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยค น, คนเราจะเข้าไปชุดเนี้ยนะเข้าไปจะไปประกาศแล้วเขาต้องไปขอญาตเจ้าผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีคนมาประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่อยู่เข้าไปทําอะไรตามอำเภอใจได้นันไม่ใช่เขาต้องขอญาตเตรียมตัวเที่เราขอญาต ท, ทีมนี้จะมาอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนแต่ที่แน่คือแคมเขา้เอาอ่า ลำบากเราเยอะประเทศไทยอะไรก็ตามแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันน้ำประเทศไทยพระเจ้านะประเทศไทยประเทศห่งการรับผออย่างมหันพรับผอ่อนเต็มปีมแลเต็มล้นที่พระเจ้าประทายกับเราไม่มีประเทศไหนสุขเท่ากับประเทศไทยอ่ะอุดมสมบูรณ์ในความแห้งแร้งของเราก็ยังอุดมสมบูรณ์กับอีกหลายประเทศที่เราว่าลำบากลําบากนะยังสุขสบายอีกหลายประเทศเยอะนะฮะที่เราว่าร้อนร้อนเลยนะ40องศานะ บางประเทศห้าสิบองศ า, างประเทศเราห้าสิบองศานะฮะอันนั้นคือสิ่งนั้นนั้นทไทยเป็นอะไรที่มันีที่เราเกิดอันวุ่นวื่นเกิดนี้ลมพายุพัดดูนี่อีกหลายประเทศเป็นไงเอลควรรอดอร์ญี่ปุ่นเป็นไงฮะหนักกว่าเราหลายเท่านี่คือพวกคุณแต่เรายังจ่ายราคาคืนพระเจ้านิดเดียวนั่นให้มองเห็นภาพนั้นการที่สาวกของพระเยซูเนี่ย ยอมทุ่มเทให้ตอบสนองพาม ะ, ะชามพระเยซูแม้ทั้นคิดว่าเพราะว่าก่อนที่พระเยซูเส็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ยตอนนี้เรียนประทานกิจการด้วยแล้วเอาส่วนนึงมาคุยฟังทุกวันพุธนะใครสนใจวันพุธหทุ่มนะครับพระเยซูได้ทำสองอย่างก่อนที่พระเยซูจะขึ้นสู่สวรรค์ น, นะครับเเรจริงพวกนี้เป็นเหมือนผมในความเชื่อเหมือนกระดุมเม็ดแรกทิ้เราต้องติดให้กับผู้เชื่อใหม่ถ้าสองอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นชีวิตคิสเซียนเราจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือพระคุณความรักพระเจ้า และเราต้องตอบแทนพระคุณพระเจ้าแบบไหนนะครับพระเยซูทำสองอย่างหนึ่งสร้างความมั่นใจพวกเขาสองเรื่องก่อนที่พระเยซูจะขึ้นสวรรค์นะพระเยซูใช้เวลาสี่สิบวันกับสาวกเนี่ยสร้างความมั่นใจ เ, าเขาสองเรื่องอันที่สองพระองค์พูดถึงคําสัญญาประการกเขาสร้างความมั่นใจเขาสองเรื่องและก็พูดถึงคําสัญญาสองประการสำคัญรับชีของคริสเตียน และถ้าชีวิตคุณกิซเซียนเนี่ยเข้าใจหลักการนี้คือคุณมีคุณมีความมั่นใจในสองเรื่องนี้และคุณมีความชัดเจนกับสัญญาพระเจ้าที่ให้เราต่อไปนี้อะไรก็ได้พระเจ้าจะ่ห้ทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่ชัดเจนเราไม่เข้าใจแล้วก็ตุกติกกับพระเจ้ามีข้อมูีเฝ้าเดียวออนไลน์ใช่ไหมเรื่องพระเจ้าทรงเรียกเรา และเรียกเราเพื่ออะไรเพื่อจะให้เราสำแดงแผนการพระเจ้าคนอื่นจะเห็นแผนการพระเจ้าผ่านทางชีกของเราความจริงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นว่าพระเจ้าเรียกเราบนพื้นฐานของประธานที่เจ้าให้เราพระเจ้าไม่เรียกเราบนความสามารถของเราถ้าไปสมัครการตามบริษัทใครดูประวัติของเราว่าเราเป็นใครจบอะไรมีประสบการณ์อะไร นะมีความสามารถพอจะทำให้บริษัทเขาจเจริญรุ่งเรืองไหมและเขาจะรับแต่พระเจ้าไม่เรียกเราแบบนั้นพระเจ้าเรียกเรามาโดยที่เราไม่มีความสามารถเลยเลยและพปรงรับประทานของประทานให้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าตามแผนการที่พระเจ้าวางไว้และแผนการเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ให้เราแต่ถ้าเราไปทำงานบริษัทเขาจะเยินโยนแผนงานในแผนงานนี้จะเกิดขึ้น นั้นคุณไปศึกษาให้ละเอียดแล้วก็หาทางทำให้แผน ง, งานนี้สำเร็จแต่พระเจ้าไม่ใช่เรียกเรามาแล้วบอกว่าให้ทาตามแผนการของเจ้าแต่พระองค์บอกมาคุยกันทำไปด้วยกันพระองค์ไม่โยนแผน ง, งานให้เราเหตุผลเพราะพระองค์รู้ว่าเราทำไม่ได้พระองค์รู้ว่าเราทาไม่ได้ทรงบอกมาและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากาลังทากับเราก็คือว่าพยายามให้เรามีความมั่นใจในพระองค์ แต่พระองค์จะไม่พยายามมั่นใจในเราหลายคนพยายามจะให้พระเจ้ามั่นใจเราไม่พระองค์ไม่มั่นใจเราหรอกเพราะวงรั่วมนุษย์มีอะไรในมนุษย์แต่สิ่งพรองค์ทําเราทั่วนี้ทํายังไงให้เรามั่นใจในพระองค์และสามารถเดินไปกับพระองค์ได้พระองค์ไม่สนใจมที่จะดูว่าเราพระองค์จะไว้ใจเราได้ไหมวางพระองค์ไม่เคยมั่นใจในเราเลยเพราะพระองค์รู้ว่าเราใช้ไม่ได้ถ้าเราใช้ได้พระองค์คงไม่ประทานของประทานพระองค์ให้เราใช่ไหม แต่ประธานเสร็จปุ๊บก็สอนอีกจะทําไงแผนการพระเจ้าสมเร็จแต่หลายคนชอบรับแผนการรับนิมิตเมาโอ้ในนิมิตของพระเจ้าแล้วเราคิดเองเออเองลงไปเลยนั่นคือการทําตามน้าพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันมันมันมันดูเหมือนคนที่ไม่มีทิศทางอะนะแต่มีทิศครับและพูทช่วยของเราคือพระเยซูคอยช่วยดูแลเราอันนั้นคือเหมือนกันนะสาวกเรียนมองเห็นภาพนิสชัดเขาไม่มีอะไร แต่พระเจ้าเรียกเขาและประธานของประธานรับหน้าที่เขาคือเดินไปกับพระเยซูเมื่อเดินไปกับพระเยซูก็เห็นแผนการของพระเยซูเป็นหนึ่งน้ำประทาของพระเยซูแล้วก็ทำโดยมีพระเยซูคอยผู้ช่วยคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะฮะและเราทำแล้วมั่นใจพุ่งมากขึ้นมั่นใจพุ่งมากขึ้นน ะ, ะแต่พระเจ้าไม่เคยมั่ น, จนใจในเรามีอย่างเดียวคือพระเจ้ารักเรามีอย่างเดียวนะพี่เจ้ามีเราคือรักเราและหาทางช่วยเรา นั่นคือหน้าที่ของพระเจ้านั้นกิจการบทที่หนึ่งนะข้อที่1ถึงข้อ11เนี่ยนะผมอ่านให้อ่าฟังนะครับในข้อ1นถึงหนะครับข้าแต่ท่านเทโอฟิลัสหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้ ก, กล่าวถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทร ง, งตั้งต้นและกระทําและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับรงขึ้นไปเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชทุนยานบริสุดแก่ข้าทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นแล้ว ขันโปรง่งทรงทนทุกทรมานแล้วได้ทรงแสดงพปร่งแก่พวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าโปรง่งทรงพะชนอยู่และทรงปรากฏอเขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวันและทรงสนนาเขาถึงเรื่องแผ่นดินพระเจ้าเมื่อพปร่งได้ทรงคำนักอยู่กับอาคาทูตจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยเซเลมแต่ให้คอยรับตามพัญญาของพระบิดาคือพระเจ้าแต่ว่าตามที่ทั้งหลายได้ยินจากเราด้แหละเพราะว่าย้อนให้รับสมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไปนาน ทั้งหลายจะรับสมาด้วยพระวิญญาณบ่อยสุดในข้อ11กล่าวบอกว่าสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกรีเอยเหตุ H. ไหนท่านเขมนดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองนี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสร็จมาอีกเหมือนอย่างทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จมานั้นร่วมใจฐานครับพระบิดาเจ้าสรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์วยพรพระจ้ากัพระเจ้า พรพีต่อรับการบันใจซึ่งมาจากพระเจ้าประโยชน์ในการสอนการตัเตือนว่ากล่าวการปรุงแก้ไขควาดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพระองค์จะพักพร้อมในการทําการในทุกอย่างอวยพรในข้ลายทุกคนในการเข้าใจพระเจ้าพระเจ้าในการสำแดงพงยาไในสุดของพงยาสุสุดหลังหลายตามชอบพระไทยพระเจ้าทุกประการขอบพระคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน 2. ความมั่นใจนะฮะความมั่นใจแรก มั่นใจว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่ถ้าจำไม่ผิดในปีที่แล้วเคยเทศคทั้งนหละนะฮะแต่อาจจะมุมไหนก็นแล้วแต่นะครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์แก่พวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่นักบนพูดอะไรว่างี้พระเจ้าจะพยายามทําทุกอย่างให้เรามั่นใจในพระองค์ก็คือให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์เพื่อ เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนยูฉะนั้นตอนที่พระเยซูเป็นจ่วงความตายเนี่ยพระเยซูก็พยายามประกฏกับสาวกพยายามอธิบายพยายามบอกต่างๆไม่ว่าการปรากฏที่ห้องชั้นบนถึงสองครั้งสองคราครั้งแรกปรากฏแล้วโทมัสไม่อยู่นะอยู่แต่10บคนนะครับและพระเยซูก็ตรัสสั่งและพระเยซูกระบายพลังวิญาณให้เขาแล้วก็สั่งว่า พระองค์ทำมาอย่างไรเขาหลายจะทำอย่างพระองนั้นแหละแล้วก็บอกสันนิษุป ข, ของพระเจ้าอยู่เขาเถิดพระเยซูสร้างความมั่นใจเขาเวลานั้นเขากังวลเขากลัวเขาวิตกผิดหวังหมดหวังนะหวังว่าจะเดินไปกับพระเยซูและเห็นอาณาจักรอิสราเอลยิ่งใหญ่แต่มันผิดหมดเลยผิดไปอย่างที่คาดคิดผิดปอาที่คาดหวัง ทำนองเดียวกันหลายาคารั้งหลายราเราอาจจะคาดหวังในการรับสิบเจ้ามากมายกลายกองอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาไม่เป็นตามความคิดไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะเราคิดไงแต่พระเจ้าคิดแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะพระเยซูพระยาห์วิสูตรหลายครั้งเราอจะใช้คาําพูดว่าทําไมเราสงสัยเหมือนโทมัสจริงๆอ่ะไม่ใช่เสียหายในะที่โทมัสสงสัยอ่ะ การที่โทมัสสงสัยทําให้อีกสิบคนเกิดความมั่นใจซ้าไปถามว่าเมื่อโทมสัสว่าข้าไม่เชื่อล็อกจริงๆก็ได้เอานิ้วแยงที่ฝ่ามือเอามือคํำสีข้างถามว่าอีกสิบคนอยากจะทำไหมอยากทําเหมือนกันอยากทําเหมือนกันนะฮะอยากทําเหมือนกันแล้วเมื่อพระเยซู ป, ปรากฏอีกครั้งแปดปันผ่านไปพระเยซู ป, ปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้อีกสิคนมีความมั่นใจในพระเยซูมากขึ้น นั่นความสงสัยของโทมัสไม่เสียหายเลยนั่นอย่าไปกล่าวหาโทมัสมากนะหรือว่าใครว่าทำไมทำตัวมโทมัสโทมัสไม่ได้ดูถูกพระเยซูเลยแต่เขาอยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเข้าใจไหมมันก็ไม่แน่ใจแล้วสิบคนอาจจะรวมหัวหลอกคนหนึ่งคนก็ได้จริงไหมอันนี้คือความจริงคนที่ถูกหลอกทุกวันเนี้ยไม่ว่าตามไหนตามแต่เขาถูกรวมสี่ห้าคนรวมหัวหลอกหนึ่งคนเข้าใจไหม ที่เาเรียกว่าทําตามกระบวนการนะ่ะทำการเป็นกระบวนการทำกันเป็นกระบวนกแปลว่ามากกว่าหนึ่งไงสี่ห้าคนห ก, หกเจ็ดคนหรือสิบคนรวมหัวกันหลอกคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยนั้นโทมัตมีสิทที่ไม่เชื่อนะเพอมเรื่องไม่เคยปรากฏประกวดพวกนี้ใช่ไหมก็มีสิทไม่เชื่อแต่เมื่อพระเยซู ป, ประกวดแค่ครั้งทําให้โทมัตเองก็มีความมั่นใจและทำํำอีกสิบคนก็มีความมั่นใจ ในตัวของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างเดินทางไปเอ็มมาอุสนะสาวกสองคนจะกลับบ้านแล้วผิดหวังแต่พบพระเยซูกลางทางระหว่างกลางทางพระเยซูอธิบายถึงพระคำพระเจ้าอธิบายถึงน้าพระทยัยพระเจ้าอธิบายถึงแผนการของพระเจ้าและใจใจเข้รโรน้นนะฮะแล้วก็บิดความเข้าใจแต่เขาจาไม่ได้พระเยซูว่าน่นคือพระเยซู จนกระทังมาพักที่กลางทางและเมื่อหักขนมปังเขาจึงจําได้พระเยซูนะแต่เมื่อเขาจําได้พระเยซูก็ไปใชแล้วด้วยเหตุผลนี้เขาจึงไม่เดินทางต่อไปกลับมายังที่ชุมนุมของตัวเองครั้งหนึ่งมายังพวกทุ น, งน่งแล้วบอกว่าพระเยซูปรากฏกับเขาพระเยซูทําหลายอย่างเพื่อทําให้เรามีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่นั่นคือสิ่งพระ์คํานะที่ชายทะเลสาบไกลนะ เปโตชักชวนพรกพวกใครไปจับปลาห้าหกคนตามไปด้วยทั้งคืนจับปลา ไ, ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่พระเยซูชีวิตตอนนี้ก็พบพระเยซูใ ห, ใหม่และนี่เหตุการณ์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เดียวเกิดขึ้นเหนืองพระเยซูบอกเขาจ่อนอวนเขาได้ปลาจำนวนมากร้อยห้าสิบกว่าตัวนั่นคือสิ่งนี้เกิดขึ้นพระเยซูยังจําว่าพระเยซูที่เขารู้จักที่บอกว่าตายไปแล้วตอนนี้เป็นที่จากความตายนะ มีหลายเรื่องหลายอย่างที่พระเยซูพยายามย้ำย้ำว่าพระเยซูเป็นความตายทํานองเดียวกันพระเยซูก็พยายามทํากับเราแบบนั้นทุกวันนี้พระเยซูพยายามทําเราพยายามหาเหตุหาเรื่องที่ช่วยเราสามารถมั่นใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่น้ำใจะอาจจะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะแต่ทุกครั้งที่รับการแก้ไขพระเจ้าเรามั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นใช่ไหมพียงว่า เมื่อมีความยากลำบากเกิดขึ้นอย่าบน่นแต่จงชื่นชมยินดีใช่ไหมจงชื่นชมดีที่มีความยากลำบากเกิดขึ้นไม่ใช่คนบ้าแต่จะรู้ทํำไมรู้ว่าโอ้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนและพระเยซูพูดชัดเปาโลพูดชัดว่าการทดลองที่เกิดขึ้นเราเนี่ยมันไม่เกินไปกว่าที่ทนได้เพราะพระเจ้ามีหนทางให้เขาหลีกเลี่ยงได้และมีกําลังในการทนได้นั่นคือพระเจ้า แล้วเราผ่านคนไม่ได้เราทนได้เราก็มั่นใจได้ว่าโอ ح, ้โหพระเจ้าเราส่งพระชนอยู่จริงนั้นสิ่งที่พระเจ้าพยายามทําเราทุกวันนี้ไม่แตกตา่างที่พระองค์พยายามทํำภาษาว่าทาอย่างไรให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ก็ทําทุกวันนี้พยายามบอกกับเราพยายามคุยกับเราพยายามมีสถานการณ์อย่างเกิดขึ้นพระองค์ก็ช่วยเรายิ่งสถานการณ์ภัยแลง้งยิ่งสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำสถานการณ์แต่ทํตกตกตาไมเราอยู่ได้ อัพระคุณพระเจ้าทําให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าเราไหมทรงพระชนอยู่ถ้าพระเจ้าไม่ทรงพระชนอยู่เราคงตายไปแล้วแต่เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่จากหลักฐานที่ปรากฏขึ้นได้ชีวิตส่วนตัวของเรากับชีวิตบางคนที่เรามองเห็นได้ว่าพระเจ้าสิทธิ์อยู่เขาแต่ที่แน่คือเราบั่นใจพระเจ้าอยู่กับเรานั้นสิ่งแรกเนี่ยที่ผู้เชื่อใหม่เข้ามาในโบส์เนี่ยสิ่งที่เราควรทํำช่วยว่า ช่วยเขาพบว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จริงเราเล่าเขาฟังเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็อืมแล้วเขารู้สึกขึ้นแต่เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจจนกว่าเขาจะมีประสบการณ์ในตัวเองและไม่ใช่ครั้งเดียวประสบการณ์แบบต่อเนื่องเหมือนกับเราฮะเรากว่าจะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่เรามีประสบการณ์พระเจ้า เอาถามนี้นะไม่ถามเป็นสิบนะกี่ร้อยครั้งกี่ร้อยครั้งเราจึงมั่นใจพระเจ้าเราคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขนาดกี่ร้อยครั้งนะพราะเกิดขึ้นใหม่ยังสงสัยได้อยู่แต่พระเยซูพยายามช่วยเราให้เรามีความมั่นใจในพระองค์มากขึ้นโดยการให้เราเห็นว่าเนี่ยพระเจ้าทำพระเจ้าทำนั้นพระเจ้าเราเชื่อจึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ นักขันุ น, นใจให้มองเห็นว่านี่คือสิ่งพระพระเยซูย้ำกับบรรดาพวกอัลทูตพยายามให้เขาเห็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่นั้นเมื่อเราจะพูดกับใครว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เราต้องมีหลักฐานครับอย่ามาปน้าพ่อพีบอกไว้ผมมาเลยพ่อพีไม่ผิดพ่อพี่ถูกแต่ใครจะเชื่อว่าพ่อพีเป็นจริงพ่มพีเป็นจริงต่อเมื่อมัอนเกิดขึ้นจริงกับชีวของเรา พร้อมเกิดขึ้นจริงเราจึงยอมรับว่าพรหมีเป็นความจริงนั้นบางครั้งคพระคำพระเจ้าเป็นฤทธเดชกลายเป็นคำอะไรก็ฤทธเดชอะแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องนะพระคำพระเจ้าเป็นฤทธเดชจริงแต่พระคำพระเจ้าจะทำงานต่อเมื่อคนนั้นเชื่อนะพระคำพระเจ้าไปกระตุน้นกระตุ้นในใจทําให้เขาเชื่อมันก็เชื่อจึงจะพบกับฤทธเดชพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใ น, นหนุนใจมองเห็นนั่น นี่คือหลักการหนึ่งพระเจ้าพยายามพระเยซูพยายามให้สาวกมั่นใจและทุกวันนี้พระเยซูก็ทําทกับเราไม่ต่างการทำพันสาวกเลยทํามากกว่าด้วยซ้ําไปทํามากกว่าด้วยซ้ำไปพระเยซูอยู่กับสาวกเป็นแค่ไรแค่สี่สิบวันใช่้หมนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาสับสนวายเขาหนักกับเรานะ้แต่ขณะเดียกันก็พระองค์ก็ไม่อยู่แค่สี่สิบวัน หลังจากนั้นยังคงอยู่ในภาพของพกุญญาณโดยสุทนะนี่นคือสิ่งที่หนุนใจให้มองเห็นมั่นใจในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้ก็สําคัญจริงเรื่องแผ่นดินพระเจ้ากับการที่พระเจ้าทรงบุญชนอยู่เป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงบุญชนอยู่เราจะมั่นใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นแผ่นดินพระเจ้าในเปาโลอพญาอธิบายว่านะฮะทั้งนี้เอ่อ ส่วนในกิจการเนี่ยลูกาหมอลูกกาว่าและได้ทรงปรากฏครั้งหลายสระหว่าง40สิวันและทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นสิ่งที่เราคุยกับคนที่เชื่อในพระเจ้าให้มากๆคือเรื่องแผ่นดินของรพระเจ้าและแผ่นดินพระเจ้าเปาโลขยายความว่าแผ่นดินพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินการดื่มแต่เป็นเรื่องความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมดีในภูมิยานบ่อยสุขในภาพ ร, รวมๆเนี่ยผมกำลังจะหมายความถึงเรื่องเดียวการสทสถิตอยู่ของพระเจ้า ถ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ต้องสถิตยอยู่กับเราและเมื่อเราสัมผัสได้การสถิตยอยู่ของเราเราก็มั่นใจเรื่องของอาณาจักรพระเจ้าอาณาจัก ร, รเจ้ากาลังแปลความว่าการครอบครองของพระเจ้าอาณาจัก ร, รเจ้าไม่พูดถึงอาณาเขตและบริเวณพราะพระเจ้าอยู่ทั่วฟ้าสวรรค์และเป็นอินโลกไม่ต้องมาปักหลักปุดให้พระเจ้าหรอก แต่อนาตจับเจ้าหมายถึงการครอบครองพระเจ้าการครอบครองพระเจ้ากำลังแปลความเหถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าถ้าเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าครอบครองเราและเราอยู่ในการครอบครองของพระองค์เราอยู่ในการดูแลของพระองค์ฉะนั้นคําว่าพระเจ้าอิมานูนเอลนะในพระธรรมยอห์นพระเยซูตรัสว่าสารพัดสิ่งจากพรงดาที่มาสู่เรานะเราจะคืนให้ และขนาดการคนที่มาหาเราเพ ว, ว่อเราจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยเราจะไม่ทอดทิ้งเขาเลยในมัทธิว 28: ่แข้อยีเราจะอยู่ทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคในมัทธิวบทที่หนึ่งพูดถึงเรื่องของอะไรพระเจ้าอิมมานุเอลพระเจ้าอิมมานุเอลคือพระเจ้าทรงอยู่กับเรา นั bag, نا, stage, ่นกาว่าแผ่นดินพระเจ้ากราหมายถึงการทรงสถิตอยู่พระเจ้าเมื่อเราสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตพระเจ้าเรากำลังแปลความบ้านั่นแหละคือการครอบครองพระเจ้าและเมื่อเรารู้นี่คือการครอบครองพระเจ้าเราจึงมั่นใจว่าอาณาจักรของพระเจ้ามีจริงและมั่นใจว่าหลังจากตายจะอยู่กับพระเจ้าทําไมคริสเตียนมั่นใจว่าหลังจากตายอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่เพราะความเชื่อไม่ใช่เพราะพีพูดถึง แต่เพราะในชีวิตปัจจุบันเขามีประสบการณ์พระเจ้าในการทรงสถิตอยู่พระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าอยู่กับเราเราจึงมั่นใจว่าหลังจากตายเราจะอยู่กับพระเจ้าแต่ถ้าชีวิตจริงไม่มั่นใจพระเจ้าอยู่กับเรารับประกันได้หลังจากตายคุณไม่มั่นใจตายจะไปไหนเอ่ยถ้าไม่เคยมีประสบการณ์พระเจ้าเลยแต่เพราะเรามีประสบการณ์พระเจ้าในชีวิตจริงๆของเราเราจึงมั่นใจว่าหลังจากตายเราจะอยู่กับพระเจ้า ไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่เป็นประสบการณ์จริงเป็นประสบการณ์จริงของเรานั้นคืออยากใหนุกใจมองเห็นว่าพระเยซูพยายามสร้างความมั่นใจสำหรัพระองค์ทรงพระชนอยู่และพูดถึงแผ่นดินพระเจ้าคือการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าไม่ใช่อนาเขตและบริเวณเราชอบพูดถึงอนาเขตและบริเวณและเราก็ชอบอวดกันถึงเรื่องอนาเขตและบริเวณนะคนที่มีอํานาจกาลังแปลความว่ามีอํานาจครอบครองในมากขนาดไหนนึกอนาเขตและบริเวณ แต่พระเจ้านั้นมีอำนาจครบถ้วนอยู่แล้วฤทธานุภาพทั้งสิ้นก็ดีในสวรรค์ก็ดีบนสุนรภก็ดีเป็นของพระองค์แล้วพ ร, ระองค์ไม่ต้องการอะไรแล้วแต่สิ่งที่ต้องการว่าพระงครอบครองอยู่นั้นใครจะอยู่ในการครอบครองพระองค์ทำยังไงจะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขานั้นการว่าเชื่อว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่และการเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและเป็นขพระเจ้ามีจรงิงก็เพราะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน ไม่ได้แยกกันพระเยซูพยาธิบายเรื่องอาณาจักรพระเจ้าในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราและพระเจ้าทรงพระชนอยู่จริงนั่นคือสิ่งพระเจ้าต้องการให้ความมั่นใจกับเราสองเรื่องและถ้าคริสเตียนมีความมั่นใจสองเรื่องเนี้เป็นไงเป็นกันตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีปัญหาเพราะจะได้อยู่กับพระเจ้าไงอันนั้นคือส่วนสาคัญที่อยากกระนุนใจให้มองเห็นภาพนี้ สองคำสัญญาซึ่งสัญญาสองเรื่องนี้เขาเกี่ยวข้องกับขั้นปุเหมือนกันเกี่ยวข้องความมั่นใจสองเรืเราจะมั่นใจในสองเรื่องได้หรือไม่ขึ้อนอยู่กับคำสัญญาในสองคำสัญญานี้สัญญาเรื่องแรกคือสัญญาเรื่องทุนญาณบ่อยสุดเมื่อพระองค์ทรงํานักอยู่กับอารทูตจึงกาชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงอิสเรลมแต่ให้คอยรับตามสัญญาของพระวิญาคือพระองค์ตรัสว่าตารื่องหลายที่จิงจักเราั้นละ เพราะว่ายอ้อนใหบุษมาด้วยน้ําแต่ไม่ช้าไม่นานท่านแต่รับบุษมาด้วยพุ่มญานบริสุดและคํานี้พระเยซูได้พูดถึงเรื่องพุ่มญานบริสุดเมื่อพุ่มญานบริสุดมาในพระธรรมยอ้์นบทที่สิบหกข้อแปด้าท่านอ่านจะทําให้รู้แจ้งเรื่องความผิดเรื่องความชอบธรรมนะอะไรต่างเนี่ยทาให้รู้แจ้งโดยพุ่มยานบริสุด และพระวิญญาจะสอนเราทําห้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูได้เคยตรัสไว้หรือในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเขียนไว้เป็นพระผีให้เราการเข้าใจพระมผีไม่อาศัยสติปัญญาของเราอาศัยไม่ได้ความรู้ของเราไม่สามารถจะเข้าใจพระคําพระเจ้าได้แต่โดยพระวิญญาณบริสุดทำให้เราเข้าใจได้พิสูจน์ได้นี่พิสูจน์ได้ต่อให้ท่านมีความรู้ขนาดไหนมาอ่านพระผีก็ยากจะเข้าใจแต่โดยพระวิญญาณบิสุดท่านจะเข้าใจพระมผีรโดยที่ท่าน ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเข้าใจได้เพราะพนยานสุดทยสอนเราบอกกับเรานั้นไม่ต้องเสี ย, สยใจนะไม่ได้ไปเรียนพรกษิธรรมนะต่อให้คุณไม่เรียนพระเจ้าก็สอนคุณอยู่และเมื่อพูดถึงคุณญยาน่อยสุดผมไม่หมายถึงเรื่องของประสบการณ์ในวันเพนส์คอร์สอย่างเดียว นนในวันที่ประคอดคือจำพวกสิทธ์รวมตัวกันที่แห่งเดียวกันท่านั้นก็มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏกับเขากระจายบนเขาสิ้นทุกคนเขานั้นก็ประกอบด้วยพง่มยานมาสุดถึงตั้งต้นบุษาอื่นตามที่พง่านโปรดให้พูดอันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งเขาเรียกประสบการณ์ในภาพรวมเป็นการกระตุ้นเป็นการหันใจแต่ประสบการณ์สําคัญคือประสบการณ์ในยอมที่สิข้อแป ประสบการ์พย า, ยามเป็นการส่วนตัวกับเราวันต่อวันไอประสบการณ์ในกิจการเป็นสองเนือนะมันเป็นข่าวคราวนั้นคิดเสียมข้างก็พลาดนะรอว่ามื่อไหร่มีการฟื้นฟูใหญ่รอว่ามื่ไหรจะมีผู้เผดชนะใหญ่มาไม่ผิดนะผมก็รอผมก็อยากจะเห็นรอว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเท็ิ์เดชเกิดขึ้นหมายสําคัญเกิดขึ้นก็ไม่ผิดนะ ทุกอย่างเป็นกิจกรรมพยานสุดหมดแต่นั่นเป็นเพียงแค่ชั่วคราวสำหรับเรามาแล้วก็ไปครับแต่คนที่อยู่เราจริงตลอดเวลาใครพยานบริสุทธิ์ที่ทํางานอยู่เราตลอดเวลาคอยสอนเรานั้นเราจําเป็นต้องมีประสบการณ์พยุยานสุดวันต่อวันไอ้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการหนุนใจมันกเกิดคำก็ดีอะผมก็ชอบไม่ใช่ไม่ชอบนะมีการผมก็อยากไปไปดูไปอะไรแล้วก็ไปมีประสบการณ์ชอบแต่จริงๆที่เกิดขึ้น สิ่งนั้นช่วยกระตุ้นทำให้เรามามีประสบการณ์วิญญาณสุดวันต่อวันไหนๆให้ดูแลก็อ่านซะหน่อยตอนในยอหนบทที่16นยียอนบทที่16ข้อ12เรายัางมีอีกสิ่งหนึ่งจะบอกแกทั้งหลายแต่่นี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพยานแห่งความจริงเสร็จมาแล้วพระองค์จ ะ, ำะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะ ไม่ตรัสโดยพระการแต่ พ, พระองค์าาจะตรัสสิ่งที่พระองค์าาได้ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นและพระองค์จะทรงให้เราทั้งหลายได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งของเรามาสำแดงแก่ทั้งหลายทุกสิ่งพิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพุทธญาณทรงเอาสิ่งนั้นเป็นของเรานั้นมาสําแดงแก่ทั้งหลายพุทธญาณจะเอาสิ่งนั้นมาสำแดงกับเราทั้งหลาย ก็คือสิ่งพระเยซูตรัสล้เมื่อเราอ่านพระพีพระเจ้าสาแดงกับเราบอกกับเราอันนี้ประสบการณ์พึงญาณสุดในวันต่อวันแหละนะฮะแต่หลายคนก็โอเคก็ทําอยู่แต่ว่ามันมันไม่มีประสบการณ์พึงญาณบ่อยสุดอย่างการความคุ้นเคยวันนี้รู้สึกสบายใจได้อ่านพระพีแล้ววันนี้สึกสบายใจได้อิฐฐานแล้วก็โอเคก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ผิดอะไรนะ แต่ประสบการณ์ที่พรมยานสุรังบอกคุณกับเรื่องของพุดที่คุณอ่านน่นคืออะไรนั่นคือเรื่องเรื่องสําคัญนะเมื่อเราอ่านมรพีพรมยานสุรังสแสดงอะไรกับเราอันนั้นคือเรื่องสําคัญที่ที่ยิ่งใหญ่สุดไอ้ส่วนเหตุการณ์หมายสําคัญต่า ง, ต, างต่างนะั้นเป็นเป็นสิ่งดีรูปแบบหนึ่งบางทีเราก็ไปติดอยู่นั้นอนะ แต่ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าไม่ดีต่อให้มีอะไรมากมายเกิดขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะนอกจากความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะฮะแล้วก็รอไปอปีนี้หมดการฟื้นฟูไปแล้วรอปีหน้ารอมาใหม่แต่พิ่งยายสุดไม่ต้องการรอต้องการอยู่กับเราทุกๆุกวัน สแสดงเราทุกวันผ่านทางพระคำของพระองค์ขานการดำเนินชีวิตของเราและพระองค์จะสแสดงความจริงตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในคําสัญญาในพุ่มพีในทุกข้อในทุกตอนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าการทํากับเรานะนั่นคือสิ่งพระเจ้าสั่สัญญาประสบการณ์เขาก็เรื่องพุ่มพีสุดก็สาวกหรืประสบการณ์กับพุ่มพีสุดตามที่รญญ พ, รพระเจ้าสัญญาเพราะพระเยซูสัญบอกไงให้รอนะรออย่าออกไปไหนจนกว่าจะได้รับพระรานนิเดตให้รอ กำชับแย่กำชับอีกจนเขามีประสบการณ์ในวันนี้และประสบการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสุดท้ายและเขาก็มีประสบการณ์กับพูออ้เยาสุดวันต่อ ว, วันวันต่อวันวันต่อวันจนทั้งสามารถกล่าวได้ว่าเมื่อเปโ ต, ตรกับยอนถูกเค้นแล้วก็ถูกบังคับบ้าห้ามพูดหลองพระเยซูเขาพูดบอกว่าต่อหน้าพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังท่าน แล้วเขาออกมาได้ความยินดีที่มีส่วนในรับการทนทุกข์กับพระเยซูยินดีฮะแม้บางครั้งบางคราวมันหนุนใจนะบางทีเหตุไอประสบการณ์นี้มันประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุดในช่วยได้ยินดีที่มีส่วนในการทนทุกข์กับพระเยซูตามแต่ที่เรามีคำถามนี้ทำไมพระเยซูให้การทนทุกข์นี้เกิดขึ้นเราแสดงว่าเราไม่ยินดีไม่ยินดี แต่มันทนทุกข์เราอาจจะหาสายเหตุไม่เจอปัญหาก็ไม่เป็นไรขอบคุณพระเยซูพระเยซูทนทุกข์มากกว่าเราหลายเท่าและการทนทุกข์เล็กน้อยของเราที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่บางครั้งเราถือเป็นปัญหาใหญ่มันมีคำสองคาที่แล้วแต่เราจะเลือกตั้งคําถามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นท่านจะถามคําถามไหนหนึ่งจะถามว่าทําไมพระเจ้าทํากับเราอย่างนี้ ในสองตั้งคำถามเจ้าพุทธเจ้าะจะสอนข้าพงเรื่งองอะไรเลือกเอาสองคำถามท่านเลือกคำถามแรกทำไมพระเจ้าทำกับเราย่โหกนะฮะชีวิตนี้ไม่เป็นปลื้มแน่นอน <c oughs> มีความรู้สึกว่าอะไรอุตส่าห์เสียสละเวลามารับใช้ยังเจองี้อีกนะคำนี้คำใหญ่ของเราเนะี่ยอุตส่า และตอนที่พระเยซูอุตสาตายเพื่เราคิดไงฮะตัวอุตสาหตายพื่เราแล้วอุตสารับใทพระเจ้าล้างแก้วหนึ่งไปแก้วแตกบาดมือโอ้โหอุสามาล้างแก้วฟุ้งไงแก้วบาดมือข้าพรงษ์มันอันนี้บางแคมป์คันเนนั้นแต่คําถามที่สองคันฟุรงร้งล้างจะสอนอะไรบอกอะไรอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้หนุนใจแล้วเราจะรู้ว่าเราเพราะเรามั่นใจพระเจ้า พอเชื่อมันละทุกสิ่งเกิดขึ้นผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์นั้นประสบการณ์ต่างๆนี่จะช่วยเราในการมั่นใจในการติดตามพระเยซูแม้ชีวิตนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเราพอมาจ่ายราคาแต่รู้ราคาเราจ่ายน้อยกว่าที่พระเยซูจ่ายแล้วก็น้อยกว่าที่เรารับจากพระเยซูน้อยกว่ามากนะักนั้นผมหนุนใจฮะในการที่จะให้พระเยซูให้เต็มที่และเมื่อให้ไปแล้วเขาจะไม่คิดอะไรมากพรเราให้พระเจ้าเราไม่ได้ให้คนใช่ไหม หลาครั้งเราพูดคำนี้ใช่ไหมถวายใครถวายพระเจ้าแต่คําถามเราเ อ, อ่าไรแล้วทําไมเขาทกากับเราอย่างนี้แปลว่าอะไรถวายใครถวายพระเจ้าผมมีไหมฮะทําไมเขาทำกับเราอย่างนี้คุณให้ใครกันแน่ถ้าให้คนอ๋อให้ใคห้คนนี้ให้เด็กอแล้วในกอทําเราตั้งคาถามว่าทําไมในกอทํามาใช้อย่างนี้แต่ตอนเราพูดว่าไงถวายพระเจ้า มีมหาเ ก, กิดขึ้นเฮ้ยทำไมเขาทําไงคนนี้แล้ว เ, เ, เราถวายใครกันแน่นะถวายเขาเยให้อีกคนหนึ่งแต่เรียกร้องผลตอบแทนอีกคนหนึ่งได้ยังไงผมไม่ไคิดอะไดมากจะไงก็ตามแต่บงที่ก็นะฮะบางครั้งคนฟังผมตอบค่าจะไม่รับผิดชอบไม่ใช่ไม่รับผิดชอบจะให้ทําทไงอะนะฮะจะให้มันทำยังไงอะผมไม่ใช่ผู้วิพากษารนี่ผมทําไม่ได้เข้าข้าไม่ได้อะไรแต่ไม่รู้จะทําทไงจะให้ทําไง อะไรที่รับชอบเราชอบอะไรที่เราบันเกินกับที่เราต้องรับชอบเราก็ต้องบอกไปกับพระเจ้าแหละอันนั้นคือสิ่งที่หนูภาพนี้นะครับสัญญาที่สองที่สําคัญนะฮะสัญญาการสิ่งกลับมานั้นบรรดาผู้เชื่อสมัยนั้นเนี่ยเขาประกาศข่าวประเสริฐเขาตอบหนอพระหอมัญชานะเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวพระเยซูจะมาแต่อันนี้ผมไม่อยากให้พูดคํานี้ลนะ เพราะเราไม่รู้ว่าพระเยซูจะมาไหนแต่เดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยวพระเยซูเดี๋ยวลําเ็คนเรเดี๋ยวนะเอางี้เป็นคําใหม่รับใช้พระเจ้าให้เต็มที่เดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปละอันนี้เดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวแน่นอนนะเดี๋ยวพระเยซูจะมาเนี่ยมันโมโหมันมันมองไม่ออกนะแต่เดี๋ยวจะจากโลกนี้ไปแล้วเนะี่ยอันนี้มองออกจะไปเนะแลนะเข้าลายกัน มีการพูดคุยกันระหว่างสนันกับท่านปัญหาอะไรต่างๆว่าจไปแล้วแต่คนจะอินเทอร์ชินนะแล้วคนวิชินแล้วต่างกัเลยนะอ่าแล้วก็ส่วนนึงเราตอบไม่ได้แล้วฮะเราตอบไปได้ว่าจะไปเมื่อไหรแบบไหนแต่ถ้าบอกว่ารีบรับใช้พระเจ้านะแต่พระเยซูามาห่มที่มันก็ตั้งคำถามมาต่อเมื่อไหรพระเยซูจะมาพรอหาคําตอบได้ก็เลยเฉยๆเฉยๆไหมแต่ถ้ารับใช้พระเจ้าจะที่เพราะเดี๋ยวก็คงตายจากโลกนี้แหละเราคงไปอยู่ไม่นานนะ ไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วแต่ตอบไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ถ้าผมอยากจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีผมก็อาจความต้องการจะอาจก็ได้แต่ว่าจริงๆพะเจ้าจะาไปพรุ่งนี้ก็ได้ตอบไม่ได้แล้วฉะนั้นวันนี้ทําให้ดีที่สุดเผื่อพรุ่งนี้จะไม่มีโอกาสทําทําวันนี้ให้ดีที่สุดเผื่อพรุ่งนี้ตายแล้วความหมายเดียวกันนั่นคืหนุนใจนะนี่คือสิ่งสำคัญว่าเขามั่นใจจึงทุ่มเททั้งชีวิต ถ้าเรามั่นใจว่าจะอยู่กับพระเยซูแล้วทุ่มเทนชีวิตอย่ารอเวลานะฮะอย่ารอเวลาหลายคนชอบพูดเดี๋ยวรอเกษียณจะรับใช้พระเจ้ากเกษียณตอนไหนอายุหกสิบใช่ไหมแต่ตายตอนอายุห้าบเก้าไงหมดหมดสิ ท, ห ม, สทหมดสิทธเลยเดียเ๋ยวเกษียณจะรับใช้พระเจ้าแต่ตายตอนห้าสิบเก้าไง และ่อง โ, โกาสรับใช้พระเจ้าอันนั้นคือสิ่งสำคัญอยางหนุนใจให้มองเห็นภาพนี้นะครับนั้นคิดจากพระเจ้าต้องมีความมั่นใจอย่างสาวกคือมั่นใจว่าพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ทรงวัชชนอยู่มั่นใจเรื่องพผนดินพระเจ้าคือการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเชื่อในสัญญาของพระองค์สัญญาเรื่องพุนงยานบริสุทธิ์พระเจ้าทํางานกับเราผ่านทางพุนงยานบริสุทธิ์เท่านั้นที่ทําให้เรามองเห็นต่างว่าอะไรเป็นพระเจ้าไม่มีทางอื่นนะครไม่มีทางอื่น นะครับแล้วก็สัญญาเรื่องการศรึกษาับมาพระเยซูรับประกันพระองค์ไม่โกหกแน่นอนพระองค์ไม่โกหกเราแน่นอนพระองพร้อมทําหน้าทิ้งเราคือเราพร้อมจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าไหมนั้นจะทําให้เราตอบสนองพระมหาบัญชาได้ดีถ้าเรามีความมั่นใจมีความเข้าใจสองนี้คือมั่นใจในเรื่องของความชุมชนอยู่พระเยซูมั่นใจเรื่องพระเจ้ามั่นใจเรื่องพระ์ญาณบริสุทธิ์มั่นใจเรื่องการศรึกษกับมางพระเยซู เราจะมีวจัยในการตอบสนองพระม ห, หาบัญชาแบบอัตโนมัติเพราะพระม ห, หาบัญชาไม่ใช่เรื่องทําให้คน เ, เป็นกิสเซียนแต่พระม ห, หาบัญชาเป็นเรื่องการทําให้คนได้พบพระเจ้าเรื่องเราเป็นเพียงแค่เศษพระพรแต่การที่เราช่วยเขาพบพระเจ้าเขาได้รับพระพรเต็มเาเต็มร้อยและเต็มที่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะทุ่มเทในการทําตามพระม ห, หาบัญชานั้นในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ จงประกาศเรื่องแผ่นิงพระเจ้าการทรงสถิตยอยู่พรลงเรื่องความชอบธรรมพรลงเรื่องพระสัญญาของพรลงนะเล่าเป็นพยายคนฟังสักหนึ่งคนในหนึ่งปี okay, แล้แค่นะี้พอล้วนะฮะคนแต่เราอาจจะมีหลายคนอยู่ในความคิดในคำอิานนะอาจจะมีสิคนในคำอิทฐานอิฐานเพิดเข้าไปหนึ่งในสิบนั้นอาจจะมาหาพระเจ้าอาจจะพบพระเจ้าก็ได้โดยคำอิทฐานเรา มีชื่อเข้าไว้ในคํำไฐานะฮะเพื่อเขาจะรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเขาจะมาเป็นคริสเตียนเราพูดเรื่องพระเยซูเขาฟังเพื่อเขาจะรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเขาจะมาเป็นคริสเตียนหลายคนเป็นคริสเตียนแต่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความหมายเหมือนกันนะฮะแต่หลายคนไม่เป็นคริสเตียนแต่รู้จักพระเจ้ามีความหมายกว่า นั้นหัวใจสําคัญในการพูดเรื่องพระเยซูคนฟังเพื่อเขาจะรู้จักพระเยซูไม่ใช่เพื่อเขาจะเป็นคริสเตียนแต่เมื่อเขารู้จักพระเยซูแล้วเขาจะรู้ว่าเขาควรทําอะไรแล้วมันต้องบอกเว่าเขารู้ควรทําอะไรน ะ, ะนั่นคือหนุนใจให้ทั้งหลายได้มองเห็นภาพนี้จะร้องเพลงด้วยกันเพลงสุดท้ายใช่เพลงนะอ่าท้ายที่ร้องก่อนผมเทศนาเนี่ยนะ ขออยู่ใกล้ยพระเยซูโอเคขออยู่ใกล้ยพระเยซูถ้าเราจยใกล้ยพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่เราจะรู้ว่าอาณาจักรพระเจ้ามีจริงเราจะรู้ถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์แะจะมีความมั่นใจในกา ร, รกลับมาพระเยซูหรือการที่เราจะกลับไปอยู่กับพระเยซูเราจะอีกฐานหนครับทายฤสันเสริญพระเจ้า ร้องช่วยร้องนะครับดนตรีจะเล่นไปสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าย่อยฐานกันก่อนครับฮาลิลิยาสรรเสริญพระเยซูโอฮาลิลิยาสรรเสริญพระเยซูโอขอบคุณพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงประชันอยู่ครับงหลายขอบพระเยซูคริดทรงตรัสทั้งหลายโดยพญานยไว้ขอพระพยานไว้เคลื่อนไหวในชีวิตทั้งหลายเพื่หลายจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้น สรรเสริญและขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาสรรเสริญ พ, พระเยซูโอ้ฮาเลลูยาชาลาลาบาการา ย, นายันดฮาเลลูสรรเสริญพระเยซูขอบคุณในความรักความเมตตาของพระเยซูอามนสรรเสริญประจักขอบคุณนะเราอธฐานครับอธิฐานกับพระเยซูมีความทุกข์ใจก็อธิษฐานกับพระเยซูขอให้เรามีความรู้สึกว่าพระเยซูอยู่กับเราและเราอยู่กับพระเยซู โดยพระญญาณบริสุทธจะชงช่วยเราสรรเสริญรัขอบคุณพระเจา้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจา้าโอฮาเลลูยาชาลาลาบาสันเสริญพระเยซูอวยพรทรงอวยพรขอพระญญาณสุทธเคลื่อนไหวทำกรรมหลายทำงานใจิตใจองค์คับองหลาย ขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮาเรลูยาสันเสริญขอคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรแก่การสันเสริญขอบพระคุณพระเจ้าฮาเรลูยาสันเสริญพระเยซูพระเจ้าทรงนำพระเจ้าอวยพรและองค์ุณเจ้าทรงโปรดสถิตด้วยขอบพระคุณพระเจ้าฮาเรลูยาโอฮาเรลูยาสันเสริญพระเจ้าสันเสริญพระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยูโงงทั้งหลายฮาเรลูยาสันเสริญพระเจ้า ข อ, อออขอบคุณพระเยซูอเมนอเมนขอบคุณพระจ้าอเมนเราจะร้องข้อนึ่งด้วยกันครับข้อหิหนด้วยกันร้องข้อนงด้วยกันพระเยซูบูทิคาบูชาเหนือชีวาและมีสหาบขอให้เดินไปจิตอ ร, ระผู่ไทยขอติ่ตามจนกว่าจะตายขออยู่ใกล้ เพราะเยซูขออยู่ใกล้เพราะเยซูตลอดทางชีวิใตในโลกนี้ข้าก็เดินจิตหาเยซูไม่อยากพระกับสุขแห่งโลกนี้เริม่มเชื่อ เสียงกรงกำจสรรเสริญพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงอยู่ข้างไหลอาเมนกับพระผู้ไทยขออยู่ใกล้พระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูถึ่กับมายุงดาสักเพียงไรถ้าขออยู่ จิตใจเยสุเมื่อลำบากจิตใจก็คว่ำหัวขออยได้จูมือข้าือระูสวรรค์ประับขอให้ข้าใครพระองค์ขออยู่ใพระเยขออยู่ใ พระเยซูฮาเลลูยาเหาประสว่างนีรับประค่อยอยู่ดนตรีจะเลงไปเรื่อยครับเราะจะถามด้อีกครั้งฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูพระเยซูอยู่ใกล้เราแล้วหน้าทิเราคือสัมผัสให้ได้พระเยซูซึ่งอยู่ใกล้เราโดยพยานโดว โดยพรอมยาสิ่งทำงานในใจของเราใจทราแล้มั่นใจพระเยซูอยู่ใกล้เราพระเยซูไม่เคยทอดทิ้งเราหน้าทิ้งเราคือติดตามพระเยซูไปติดตามพระเยซูไปเรียนรู้กับพระองค์ไปสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ขอบพระคุณพระเยซูสรรเสริญพระเยซูขอบคุณในการทรงสถิตจุกของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า โอขอพระคุณพระเยซูและท่านมีสิ่งได้ใหญ่าฐานต่อพระเยซูไอ้าฐานต่อพระเยซูครับไอ้ฐานบนพื้นฐานการเร้าใจพุ่มญาณในสุดที่ตัวของเราพรุา่มญาณกำลังทํางานในใจของเราและให้เราอิจฐานตามความรู้สึกพุ่นญาณทีทํางาน ใ, นในใจของเราสรรเสริญพระเยซูปรองพร้อมฟังปรองพร้อมจ่ยืนยันว่าปรุงพระเจ้าผู้สมงมชนอยู่พร้อมจะช่วยเหลือเรา พร้อมจะให้เราได้เห็นความจริงว่าพระเจ้าคือพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูโอ้ขอบคุณพระเยซูคุยกับพระเยซูครับโดยพญามศิษย์ทำงานในตัวของเราบอกกับพระเยซูตามความรู้สึกการแสดงพญามศิษย์ในตัวของเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา ฮาเลี่ยสันขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูยยถ้าใครเจ็บใครป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้นป่วยภายนอกอาการเจ็บป่วยภายใน หรือทลึกถึงคนที่เจ็บป่วยนั้นท่านสามารถใช้ความเชื่อท่านแทนเขาได้ใจมือวางที่หัวใจของท่านโวยพรด้วยแผลรอยเคี้ยนของพระองค์โดยระประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้ามือทุกมือที่วางไปบนที่ความเจ็บป่วยหรือเป็นตัวแทนของคนที่เจ็บป่วยนั้นในของพระเยซูคริสต์ชาวนาเซต โรคภัยไข้เจ็บทีน่นงขอสั่งเจ้าว่าจะออกไปจะมีส่วนในร่างกายเขาอีต่อไปและเขารับการรักษา ห, หายโดยพระเยซูกิจาวสันเสริมและขอบคุณพระเจา้าดับความทุกข์ใจความหนักใจความท้อใจความวุ่นวายความสับสนวุ่นวายเป็นเหมือนภูเขาที่ทับอยู่ในหัวใจในอกของข้าพเจ้ายในนามของพระเยซูกิจาวไซเขาสั่งภูเขาที่ลอยออกไป และขอพ้ญาาเสริมเต็มเพื่อขังหลายเต็มได้วยความชื่นชมดีในองค์พระผเจ้าเพราะความชื่นชมดีในพระเจ้าเป็นกําลังของข้าพตรงหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรและใจร่าเริงก็เป็นยาอย่างดีทั้งหลายนี้ขอบคุณในความรักของพระเจ้าจึงให้ฐานสรรเสริญและขอบพระคุณพรงในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนใจพรครับ